หันตระทุกขวิสัชนาอินทรีเจ็ดรับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทรีสิบสี่รับรู้อารมณ์ได้ชีวิตอินทรีที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีอินทรียี่สิบเอ็ดไม่เป็นจิตมนินทรีเป็นจิตอินทรีสิบสามเป็นเจตสิกอินทรีแปดไม่เป็นเจตสิกชีวิตอินทรีที่เป็นเจตสิกก็มีที่ไม่เป็นเจตสิกก็มี อินทรีสิบสามสัมปยุทธ์ธ 7, ทธท 3, ด, ด้วยจิตอินทรีเจ็ดวิปยุทธ์จากจิตชีวิตอินทรีย์ที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตก็มีที่วิปยุทธ์จากจิตก็มีมนินิสียกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยจิตหรือวิปยุทธ์จากจิตอินทรีสิบสามรัคนกับจิตอินทรีเจ็ดไม่ระคนกับจิตชีวิตอินทรีย์ที่รัคนกับจิต ก, ก็มี Everyone. ที่ไม่รัคนกับจิตก็มี มณินทร์สี่กล่าวไม่ได้ว่ารักคนกับจิตหรือไม่รักคนกับจิตอินทรีสิบสามมีจิตเป็นสมุทฐานอินทรีแปดไม่มีจิตเป็นสมุทฐานชีวิตอินทรีย์ที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีอินทรีสิบสามเกิดพร้อมกับจิตอินทรีแปดไม่เกิดพร้อมกับจิตชีวิตอินทรีย์ที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มี อินทรี13เป็นไปตามจิตอินทรี8ไม่เป็นไปตามจิตชีวิตอินทรีที่เป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีอินทรี13รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอินทรี8ไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานชีวิตอินทรีที่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่รักคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานก็มี อินทรีสิบสารักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตอินทรีแปดไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตชีวิตอินทรีย์ที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีอินทรีสิบ13ารักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิต อินซีแปดไม่รักคลกับจิตมีจิตเป็นสมุธฐานและเป็นไปตามจิตชีวิตอินทรีย์ที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุธฐานและเป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุธฐานและเป็นไปตามจิตก็มีอินทรียหกเป็นภายในอินทรีย์บหเป็นภายนอกอินทรีเจ็เป็นอุปาทัยรูปอินทรีย์บสี่ไม่เป็นอุปาทัยรูปชีวิตอินทรีย์ที่เป็นอุปาทัยรูปก็มี ที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีอินรีเก้ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออินรีสี่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออินรีเก้าที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีสิออุปาทานโคชกาวิสัชนาอินรียี่สิบสองไม่เป็นอุปาทาน อินสี่สิบเป็นอารมณ์ของอุปาทานอินรียสามไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินรี่เกที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอินรียสิบหวิปยุจจากอุปาทานอินทรียหกที่สัมปยุจด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุจจากอุปาทานก็มีอินรี่สิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีอินสี่สิบหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุทธด้วยอุปาทานหรือสัมปยุทธด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานอินสี่หกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุทธด้วยอุปาทานที่สัมปยุทธด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มี อินสีสิบวิปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินสียสามวิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอินสียสามที่วิปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีอินสียหกที่วิปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่วิปยุตแจกอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตแจกอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือวิปยุตแจกอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสิสอง กิเลสโคจกวิสัชนาอินทรีย์ยี่สิบสองไม่เป็นกิเลสอินทรีย์สิบเป็นอารมณ์ของกิเลสอินทรีย์สามไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอินทรีย์เ้าที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีอินทรีย์สิบห้ากิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองธโมทะสินสี่กิเลสทําให้เศร้าหมองอินทรีย์หกที่กิเลสทําให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองก็มี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 เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีอินรีสิบห้ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสทมนะสินสีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทาให้เศร้าหมองหรือกิเลสทาให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส อินรี่หกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมองที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ากิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีอินรี่สิบห้ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสหรือสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโทมานสินสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลส หรือสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอินรียหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสที่สัมปยุตธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีอินรีเก้าวิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอินรีสามวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโทมานสินสีกล่าวไม่ได้ว่า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 หรือวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสิบสาปิธิทุกขวิสัชนาะอินทรีสิบห้าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอินทรีเจ็ดที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมคก็มีอินรีสิบห้าไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามอินทรีเจ็ดที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี อินซีสิบห้าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคอินซีเจ็ดที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาคก็มีอินซีสิบห้าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้อมบนสามอินซีเจ็ดที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีอินซีเก้าไม่มีวิตกธุมนสินซีมีวิตก อินรีสิบสองที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีอินรีเก้าไม่มีวิจารณ์โทมานัสเซนสมีวิจารณ์อินสีสิบสองที่มีวิจารงก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีอินสีสิบเอ็ดไม่มีปีติอินสีสิบเอ็ดที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีอินสีสิบเอ็ดไม่สหรคตด้วยปีติอินสีสิบเอ็ดที่สหรคตด้วยปีติก็มี ที่ไม่สหอรคตด้วยปีติก็มีอินรียสิบสองไม่สหอระะคตด้วยสุขอินรียสิบที่สหอรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีอินรี่สิบสองไม่สหอรคตด้วยอุเบกขาอินรียสิบที่สหอรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีอินรียสิบเป็นกลามาวจรอินรี่สาไม่เป็นกลามาวจร อินสีเก้ที่เป็นกรรมวจรก็มีที่ไม่เป็นกรรมวจรก็มีอินรีสิบสาไม่เป็นรูปาวจรอินรีเก้าที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีอินรีสิบสไม่เป็นอรูปาวจรอินรีย์8ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีอินรียสิบนับเนื่องเนื้อวัตถุอินรีสามไม่นับเนื่องเนื้อวัตถุ อินรี่เก้าที่นับเนื่องในวัตทุก์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ก็มีอินสีสิบไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์อนัญญาตัญญสามีตินสีเป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์อินสีสิบที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ก็มีอินสีสิบให้ผลไม่แน่นอนอนัญญาตัญญสามีตินสีให้ผลแน่นอน อินสี่สิบเอ็ดที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีอินสี่สิบมีธรรมอื่นยิ่งกว่าอินรี่สามไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอินสี่เก้าที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีอินสี่สิบห้าไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โทมนะสินสี่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อินรี่หกที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มี ปัญหาปุจฉะจบอินทริยะวิพังจบบริบูรณ์หกปฏิจจสมุปาทาวิพังหนึ่งสุตันตาพาชนีเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 เพราะพะเป็นปัจจัยชาจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโซกะปริเทวะทุกขะโทมนัตปุปายาจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจยาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นฉไนความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทยัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธาคาไม่นีปฏิปทา นี้เรียกว่าอาวิชชาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไฉนิปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอเนญชาพิสังขารกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารในสังขารเหล่านั้นปุญญาพิสังขารเป็นไฉนเจตนาที่เป็นกุศลซึ่งเป็นกลามาวจรเป็นรูปวจรสเร็จด้วยทานศีลและภาวนา นี้เรียกว่าปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารเป็นไนเจตนาที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกลามวจรนี้เรียกว่าอปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารเป็นไนเจตนาที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอรูปาวจรนี้เรียกว่าอเนญชาพิสังขารกายสังขารเป็นไนกายสันเจตนาเป็นกายสังขาร วจีสันเจตนาเป็นวจีสังขารมโนสันเจตนาเป็นจิตตสังขารเหล่านี้เรียกว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นไฉนจักขววิญญาณโสตะวิญญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเป็นไฉนะนามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นไฉนะเวทนาขันสัญญาขันและสังขรารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นไฉนะมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ปุปาทายรูปนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่า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 คานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสและมโนสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไงเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัสเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสามัมผัสเวทนาที่เกิดแต่กายะสัมผัส เวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะพัรษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเป็นไนรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหาพระสตัณหาโพธภะตัณหาและธรรมตัณหานี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเป็นไน กามุ ป, ปาทานทิฏฐ ป, ปาทานศีลปตุปาทานและอัตวาทุปาทานนีเรียกว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุ ป, ปาทานจึงมีเพราะอุ ป, ปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นไงพบสองคือกรรมภพและอุปัติภพในพบสองนั้นกรรมภพเป็นไนปุญญาพิสังขารเอาปุญญาพิสังขารและอเนชาพิสังขานนเรีกว่ากรรมภพ กรรมที่เป็นเหตุให้ไปสู่พบแม้ทั้งหมดเรียกว่ากรรมมาพอุปติภพเป็นไนกามมพรูปภพอารูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการะภพจตุโวการะภพและปัญจโวการะภพนี้เรียกว่าอุปติภพกรรมมาพและอุปติภพดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบเชงมี เพราะพบเป็ oles, left, horses, selves, นปัจจัยชาติจึงมีเป็นไนความเกิดความเกิดพร้อมความอย่างลงความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาจึงมีเพราะชาเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเป็นไนชราหนึ่งมรณะหนึ่งในชราและมรณะนั้นชราเป็นไน ความแก่ความเคร่งคร่าความมีฟันหักความมีผมหอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชรามรณะเป็นไฉไรความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมรรตยูการทำกาละความแตกแห่งขัน ความทอดทิ้งร่างกายความขาดศูญแห่งชีวิตตินสีของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆนี้เรียกว่ามรณะชราและมรณะดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีโศกะเป็นไนความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในความเกรียมใจ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 ภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่เครื่มครวญความบ่นถึงความพิ่มเพอความร่ำไห้ความพิไรรำพันกิริยาที่พิไรรำพันภาวะที่พิไรรำพันของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาตความเสื่อมโภกรัพย์ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสื่อมศีลหร Ay, ือความเสื่อมทิฐิกระทบของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบหรือผู้ที่ถูกเหตแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบ นี้เรียกว่าปริเทวะทุกข์เป็นไนความไม่สําราญทางกายความทุกทางกายความสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุก์อันเกิดแต่กายสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกขโทมนัสเป็นไนความไม่สําราญทางใจความทุกทางใจความสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัส ยุริยาสวยอารมณ์ที่ไม่สำมารันเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสปุปายาตเป็นไนความแค้นความคับแคนภาวะที่แค้นภาวะที่คับแคนของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาติความเสื่อมโภอกรัพย์ความเสื่อมเกี่ยวด้วยโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฐิกระทบของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบ หรือผู้ที่ถูกเหตแห่งทุกขอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าอุปายากคําว่ากองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นั้นอธิบายว่ากองทุกทั้งมวลนี้ไปร่วมมาร่วมประชุมร่วมปรากฏขึ้นด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวลนี้เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้สุตตันตพาชีนีจก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 กองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ปัจจยะจตุกะจบ 2. เหตุจตุกะอวิชามูลกะในเพราะอาวิชาาเป็นปัจจัยสังขารที่มีอวิชาเป็นเหตุจึงมี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 เพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะที่หกที่มีนามรูปเป็นเหตุจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยปัจจะที่มีอายตนะที่หกเป็นเหตุจึงมีเพราะปัจจะเป็นปัจจัยเวทนาที่มีปัจจะเป็นเหตุจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาที่มีเวทนาเป็นเหตุจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานที่มีตัณหาเป็นเหตุจึงมี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 ปยุตตะจตุกะอวิช า, um. ชามูลกะในเพราะอวิชาเป็นปัจจัยสังขารที่สัมปยุตด้วยอวิชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณที่สัมปยุตด้วยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามที่สัมปยุตด้วยวิญญาณจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หที่สัมปยุตด้วยนามจึงมีเพราะอายตนะที่หเป็นปจัจจัย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 แม่เพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะวิญญาเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีแม้เพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยภาษาจึงมี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 แม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายาตนะจึงมีแม้เพราะสลาญตนะเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยพัสสะจึงมีแม้เพราะพัสสะเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีเพราะพัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัยพัสสะจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี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 อภิธรรมมาติกาในแปดมีสังขารมูลกะในเป็นต้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีละถึงเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมี